วันนี้คนนำว่าเป็นวันอุดมมงคลมีทั้งพระอาจารย์ใหญ่ๆทั้งนั้นที่ได้อุตส่าห์มาเมตตาในวัดนี้นับแต่สร้างวัดมาก็เป็นเวลาหลายปีคราวนี้รู้สึกว่าเป็นคราวที่กลางท่านก็จะลืมความระลึก ถึงคราวนี้ไปไม่นัดเนื่องจากพระอาจารย์ล้วนแต่ท่านบุตรทรงคุณอมฤทธิ์และต่างก็ไม่มาโดยไม่ได้ประเหนดนัดแน่ซึ่งกันและกันแต่มารวมกันได้ในวันเดียวกันนี่เรียกว่า เป็นอุดมมงคลอันหนุนอำนับเราทุกๆท่านที่จะได้เห็นแต่ละครั้งละครั้งแม้เราจะอยู่ในสำนักปฏิบัตินะเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ตามสถานที่ของตนของตนก็ตามแต่ที่จะได้มารวมกันในนี้นั้น รู้สึกจักเป็นโอกาสที่หาได้ยากวันนี้จึงมีสัมโมทนียกถาเป็นเครื่องยืนยันซึ่งกันและกันที่ได้มารวมกันในวันนี้ภาคนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง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 มีความแยกย้ายไปในฐานที่ต่างๆตามความจําเป็นและเหตุจําเป็นของตนเมื่อมีโอกาสในวันนี้ถือเป็นเวลาสําคัญที่เราจะได้สัมโมทนยกถาเป็นเครื่องรื่นเรืองซึ่งกันและกันเราทุกท่านเป็นนักบวช ออกจากสาคยบุตรอันเดียวกันในนามว่าสาคยบุตรนี้เป็นพระนามที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาสาคยบุตรที่พระองค์ท่านได้ให้นามได้ทรงให้นามนั้น คือผู้ที่บวชด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจะบวชในสำนักของพระองค์ท่านก็ตามจะบวชอยู่ในที่อื่นๆก็ตามแต่มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองอันเดียวกันและออกจากพระพุทธศาสนาของพระองค์เช่นเดียวกันหมดเมื่อออกบวชแล้วต่างท่าน common ต่อการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกังวลกับสิ่งภายนอกที่เคยเป็นมาและผ่านมาตราบบรรนิสัยใจคอที่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาในทางกามราอาจยอมพยายามปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดให้ปรากฏอยู่ตาหลักพระธรรมวินัยเป็นเครื่อง ระดับใจเท่านั้นจะเดินเหินไปมาในบรรดาอัยยบททั้ง 4 เป็นผู้มีความงามด้วยข้อวัดปฏิบัติกรมคืนกับพระธรรมวินัยมีเรียกว่าสาคยมุตแม้จะยังไม่สําเร็จเต็มขั้นเต็มภูมิ ดังที่เราได้ทราบมาในประวัติกฎาแต่ก็ชื่อว่าต่างธรรมต่างดําเนินตามหลักพระธรรมวินัยทั้งจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นโปรดได้ทําความดีใจในการที่เราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ร่วมการสัมมพรรค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 ผู้จําชาติมากมนุษย์ถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ท่านทรงประสงค์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานก็คือตัวของเราผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้และจะต้องเป็นไปตามสายทางแห่งคตธรรมวินัยที่ประทานไว้แล้วนี้ทั้งนั้น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 จะฉลาดก็ให้เป็นผู้ฉลาดตามแถวที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่าให้มีความชาติเป็นแบบที่เรียกว่าแตกแนวพระพุทธเจ้าสอนให้มีความรู้ความฉลาดย่อมหมายถึงหลักของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นที่ตั้ง แม้แม้นอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดตามหลักแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังขโปนี้แหละจะเป็นผู้สามารถทรงตนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดตลอดชีวายุบตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานคือจุดหมายปลายทางนี้ชื่อว่า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 หลักข้อวัดปฏิบัติที่ครูอาจารย์ท่านได้พาปฏิบัติอย่างไรเราอย่าเห็นว่าเป็นของล้าสมัยอย่าเห็นว่าเป็นของไม่สําคัญโปรดให้ถือเป็นหลักสําคัญทุกๆชิ้นหรือทุกทุกอย่างที่ท่านพาดําเนินมาโดยทางธรรมเราอย่าเห็นความอยาก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 ก่อนที่จะเป็นตัวอย่างของโลกได้เราต้องเป็นผู้ฝึกหัดดัดแปลงกายมาจาใจของเราให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าให้ผิดเพี้ยนไปโดยถือว่าสิ่งนั้นไม่สําคัญมั่งสิ่งนี้ไม่สําคัญมั่งการปฏิบัติตนเองควรจะให้มีกฎเกณฑ์อย่าให้มันเป็นไปที่นั่น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 ไม่ว่าจะปรับไว้ในบทใดแน่ในสั้นหรือยาวหยากปีละเอียดลึกอื่นแค่ไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิยานิกธรรมจะทําผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ได้พ้นจากอุปสรรคเครื่องจิตความภายในใจของตนไปได้โดยลําดับนี่ผู้ปฏิบัติต้องมีหลักมีเกณฑ์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 ที่เห็นว่าข้อคลอธรรมข้อใดบ้างที่เป็นคติจะได้รับประโยชน์ด้วยโตดยึดเข้ามาเป็นเครื่องเตือนใจของตนทันทีนี่ถือว่าเป็นผู้ไปศึกษาเพื่อเพื่อธรรมจะไปหาครูอาจารย์องค์ใดสำนักใดมากเท่าไหร่ก็เหมือนกับคนแสวงหารายได้ย่อมได้มากเท่านั้นการแสวงหารายได้ มีความขยันหมั่นเพียรมีความเฉลียวฉลาดไปใกล้ไปไกลไปวงกว้างวงแคบเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับความฉลาดรอบรู้เป็นลําดับลําดับไปเช่นเดียวกับบุคคลที่เที่ยวเถาะแสวงหาผลประโยชน์ในที่ต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลย่อมเป็นผู้ชินต่อเหตุการณ์ และปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่เคยกับสังคมในเรื่องของผู้ที่มุ่งต่ออัตถธรรมจากครูจากอาจารย์จะไปสํานักใดๆก็ย่อมได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมขึ้นเป็นลําดับสําดับเช่นเดียวกันนั้นแต่ถ้าจะไปแบบหูหนวกตาบอดคือตาก็แม้จะมองเห็นดูก็ไม่สนใจจะดูเพื่ออัตเพื่อธรรม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 ไม่ใช่จะปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนๆไม่ใช่ปฏิบัติแบบล้มลุกคุกครานไปเฉยๆแต่ปฏิบัติมีเหตุมีผลมีสัจจะความจริงบังคับตนเองจะทําอะไรก็ให้ทําจริงด้วยความตรงใจจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมภาวนาในอิริยาบถใดๆก็ตามขอให้มีความสัตเป็นเครื่องบังคับมีสติเป็นเครื่องกํากับจิตใจ ดำเนินความเพียรไปด้วยความมีสติรอบคอบไปด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่ถือว่าเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าแก่ตนเองไปเต็มลําดับผู้นี้แม้จิตจะมีความฟุ้งซ่านหาขอบเขตไม่ได้ก็ตามอย่างไรก็จะต้องอยู่ในเงื้อมมือของความเพียรนี้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 ทางที่ถูกควรใช้บังคับตนเองเพื่อให้ดําเนินตามหลักพระธรรมวินัยนี่อันนี้เป็นทางที่ถูกกดที่บังคับลงไปเรื่องของใจมีไม่มีสิ่งใดที่จะดื้อด้านทนทานยิ่งกว่าจิตที่มีกิเลสดื้อด้านต่ออัตต่อธรรม ได้ด้านต่อพระโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อภูต่ออาจารย์เป็นอย่างนี้เราต้องใช้อํานาจในทางธรรมะมากดขี่บังคับฝึกฝนทรมานตนนักบวชต้องเป็นบุคคลเช่นเดียวกับผ้าขี้ริ้วไม่ต้องถือว่าตนมีราคาไม่ต้องเถอะถือว่าตนนี้เป็นพระเป็นผู้มีอํานาจวาสนามาก แต่ถือว่าเรานี้แหละเวลานี้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วจะพยายามทําผ้าขี้ริ้วนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาจนกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นแล้วเป็นที่สนใจของหมู่ชนทั่วๆไปนอกจากเป็นที่ยินดีและพอพอใจสําหรับตัวเองแล้วผลประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นจากผ้าขี้ริ้วกลายเป็นทองคํานี้ ยังจะทําประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นอีกจํานวนไม่น้อยนี่ผู้ปฏิบัติต้องฉละทิฏฐิมานะอย่างนี้ฉละภายในตัวเองอย่าหาบเที่ยวหับฟันไปไหนยามแบกเที่ยวแบบฟันไปด้วยเรื่องเที่ยวเรื่องฟันนั้นเรามองดูตั้งแต่สุนัขก็ไม่น่าดูแล้วพอหิ้มฟันขึ้นเท่านั้นก็แสดงว่าจะกัดกันนี่ ลักษณะของทิฏฐิมานะที่ฝังอยู่ภายในใจของนักบวชเรานี้ยิ่งร้ายกว่าสุนัขจะกัดกันตัวได้ซ้ํานี่ถ้าเราจะใช้ขอให้ใช้บังคับเรากด 4 ตัวเองบังคับตัวเองวันนี้เราจะนั่งภาวนาสักกี่ชั่วโมงระยะจากนี้ไปถึงเวลาเท่านั้นจิตใจของเราจะ เผลอไปสักกี่ครั้งและจิตใจของเราเผลอไปในระยะหนึ่งนานประมาณเท่าไหร่เราจะยอมปล่อยให้ใจของเราเผลอไปอีกอย่างนี้เรื่อยๆไปหรือเราจะพยายามสกัดกั้นจิตใจของเราให้หายพยศในความคิดที่เคยคิดนั้นย้อนเข้ามาเป็นลําดับลําดับนี่เป็นอํานาจที่ดีสําหรับพระนํามาใช้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์ จะไม่เป็นโมฆะบุพเรื่องทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมรรคก็ดีนิโรธนิโรธก็ดีธรรมทั้ง 4 ประเภทนี้ไม่ปรากฏว่าได้ด้อยคุณค่าลงไปแม้แต่นับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้นอกจากบุคคลที่จะด้อยคุณค่าของตัวเอง ลงจากสัจธรรมทั้ง 4 นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสถานที่การบุคคลและสิ่งทั่วๆไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อกรรมก่อเวรแก่ตัวเองสาเหตุต้นเหตุอันแท้จริงนั้นก็คือว่าเรามองข้ามตัวของเรานี้ไปเสียคือหลักสัจธรรมนี้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 เป็นการเตือนให้จิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั้นได้คิดค้นดูตามความเป็นจริงของทุกข์นั้นโดยทางปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคทําหน้าที่ต่อทุกขศัพท์สมุทัยยศัพท์ได้แก่ความคิดความปรุงทางใจคือมีเกี่ยวกับทางนันทิราคะสหคตาตตตปตราอภินันดินี รูปอํานาจทั้ง 2 คือยติดังได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจิตที่คิดออกไปตามทางสายนี้แลท่านเรียกว่าจิตเป็นสมุทัยท่านเรียกว่าจิตเดินตามสายของสมุทัยสมุทัยนี้แลคือเชื้อของทุกข์เมื่อมีสมุทัยแล้ว ก็เหมือนกันกับว่ามีปืนมีเชื้อไฟเผาเข้าไปที่ทุ่งนั้นความร้อนก็แสดงตัวออกมาไฟก็แสดงเปลวออกมานี่ถ้าเราได้ส่งเสริมสมุทัยคือความคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และกลับเป็นข้าศัตรูต่อตัวของตนเอ่อตัวของตัววันอย่างค่ําเช่นนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนจะเห็นความสุขได้ นอกจากก็มีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะทั้งกองเฝือรนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่เราทําตัวของเราให้ด้อยต่อสรรพจะธรรมทั้งสิ้นเราไปที่ไหนจึงกลายเป็นคนอภัพอภัพในความสุขอภัพในความสงบอภัพในทางความเพียรอภัพในความเฉลียวฉลาด อาภัพในปฏิปทาที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนทุกด้านจึงเป็นผู้แพ้ด้วยปั่นสัจจะธรรมมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วถ้านํามาประกอบพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักของความจริงตามหน้าที่ของสัจจะแล้วเราจะเป็นคนจริงขึ้นมาในวันหนึ่งไม่ใช่จะเป็นผู้แพ้เสมอไปแม้องค์สมเด็จพระภูมิมีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านก็เป็นคนมีกิเลส และเคยล้มลุกคุกครานมาเช่นเดียวกับเราเราท่านท่านแต่เหตุไฉนจึงสามารถปรัสรู้สัจธรรมทั้ง 4 นี้ได้แล้วนำมาแสดงให้บรรดาเราทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงอันประเสริฐได้รับนี่ขึ้นมาจากอะไรสาเหตุก็เนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านดำเนินตามสายสัจธรรมให้ถูกต้องตามสัจจะแต่ละอย่างละอย่างโดยไม่มีข้อเคลื่อนนั่นแล ผลจึงปรากฏเป็นความมวยสุดขึ้นมาจากสัจธรรมทั้ง 4 นั้นที่เรียกว่าพุทโธทั้งดวงสัจจะทั้ง 4 นี้ไม่ใช่เป็นความมวยสุดแต่เป็นทางเดินสําหรับผู้ที่จะก้าวพ้นทุกข์จะปีกตัวไปเดินนอกจากสัจจะทั้ง 4 นี้เป็นทางแล้วไม่มีทางเดินเพราะฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์ทางกายไม่ว่าทุกข์ทางใจจงถือว่าเป็นหินรับปัญญา อัญญาต้องสอดแทรกลงในที่นั้นทุกขังอยตจังเกิดขึ้นที่กายนี้มีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเป็นต้นคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาจากอะไรมีความหมายอันใดเป็นเหตุจึงเป็นเหตุให้จิตนี้พราอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเครื่องสัมผัสถูกต้องนี้แหละ ที่เป็นเครื่องเสริมสมุทัยให้แสดงตัวและครองตัวขึ้นบันดังขับพื้นย่างลุกจนหาทางแก้ไขไม่ได้ก็เนื่องจากนี้แหละถ้าเราจะใช้ปัญญาสอดส่องดูตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี้มีรูปเป็นต้นแล้วสมุทัยจะไม่สามารถแสดงตัวเสริมกําลังของตัวให้มีกําลังมากมูลขึ้นถึงกับทําให้เราเป็นคนอภัพได้ตลอดไป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 ข้างบนข้างล่างทุกส่วนในร่างกายหลายลงรวมความเป็นอนิจจังแปรสภาพตลอดเวลาเช่นเดียวกันหมดมีจุดใดดอนใดที่จะเป็นที่ยึดที่หมายเป็นที่ไว้วางอกวางใจให้รับความล่มเยินจากอาการนั้นๆแห่งส่วนร่างกายได้แม้แต่อาการนี้มีไหมไม่มีนี่ถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความแปรสภาพพูดถึงเรื่องความทุกข์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 หาปัญญาได้ยังทราบตามหลักความจริงของทุกข์ทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนร่างกายทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนใจภายในใจโดยเฉพาะให้เห็นชัดตามหลักความจริงของเขาแล้วทุกข์ทั้ง 2 ประเภทนี้แม้ส่วนร่างกายจะเป็นของมีอยู่จนกระทั่งถึงวันสลายก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบถึงจิตใจที่รู้รอบตัวได้ ส่วนทุกข์ทั้งปางใจนั้นเมื่อมีความรอบคอบโดยทางปัญญาอย่างเต็มที่แล้วจะไกลดวงนั้นจะไม่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของทุกข์ดังที่เคยเป็นมาได้เลยทุกข์ทั้งหลายจะสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือเพราะอํานาจของมรรคคือปัญญานี่คําว่านิโรธะนั้นเราพิจารณาเห็นชัด <ม. S 1> ในสัจธรรมทั้ง 2 ประเภทคือทุกขสมุทัยนี้มากน้อยแค่ไหนจักคำว่านิโรธะจะแสดงความดับทุกข์ไปเป็นลําดับทั้งนั้นนับตั้งแต่ทุกข์ขั้นยากขั้นกลางขั้นละเอียดจนถึงจุดสุดยอดแห่งนิโรธะคือความดับสนิทเนื่องจากปัญญาได้รอบในเรื่องทุกขสมุทัย โดยไม่มีส่วนใดยังเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ธรรมะนิโรธคือความดับทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ทางใจเหลืออยู่เลยใครจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความรอบข้อหรือซึ่งความไม่สุข ก็คือมีธรรมชาติอันหนึ่งนอกจากสัจจะทั้ง 4 นี้ทุกข์เป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมาสมุทัยเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมานี่เป็นฝ่ายผูกมัดมรรคเป็นอาการอันหนึ่งเครื่องแก้ไขทุกข์และสมุทัยทั้ง 2 ประเภทนี้นิโรธเมื่อมรรคได้ดําเนิน ทำหน้าที่ของตนไปมากเท่าไหร่นิโรธะก็ทําหน้าที่ไปเป็นลําดับลําดับจนถึงมรรคได้ทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นิโรธะก็แสดงอย่างเต็มที่แล้วดับไปผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั้นคืออะไรนี่คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีดับไปตามสัจธรรมทั้ง 4 นั้นเรื่องสัจธรรมทั้ง 4 นี้เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน ทุกข์ตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปสมุทัยตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาคิดค้นขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่เป็นฆาตกิริย์นี้เสร็จแล้วก็ดับลงไปตามสภาพของตนนิโรธทําความดับทุกข์แล้วก็หายถึงไปไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันนี้ไม่ได้เป็นสัจธรรมทั้ง 4 นี่เราจะเป็นคนจริงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแม้แต่เราจะอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี้เป็นของปลอมแปลงอยู่ภายในตัวของเขาก็ตามแต่ธรรมชาติทั้งหนึ่งที่มีความฉลาดรอบตัวนั้นจะไม่มีความปลอมแปลงไปตามแม้จะอยู่ในกองเคลือมคือทุกขังอนิจจังอนัตตาก็ตาม แต่ธรรมชาติที่อยู่นั้นจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แสดงตัวเพราะเห็นตามหลักความจริงแล้วนี่ผู้ปฏิบัติทําตัวให้จริงให้มีหลักมีเกณฑ์มีอํานาจปากสนากฎกิบังคับภายในตัวจะต้องปรากฏผลอย่างนี้แน่นอนหรือโดยไม่ต้องสงสัยหลักธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกภาคเป็นเครื่องแก้ไขกิเลสตัณหาอาสวะกองทุกข์ทั้งหมด ไม่ใช่เป็นเครื่องผูกมัดก็เวลานี้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความชั่วช้าลามกเป็นไปเพราะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเป็นไปเพราะหลักความคิดความเห็นความชอบใจของเราเราควรจะนํามาเทียบเคียงตนเองไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปเปล่าๆวันนี้มืดวันหน้าสว่างขึ้นมาผ่านไปผ่านไป ร่างกายของเราผ่านไปทุกวันทุกวันมีอะไรบ้างที่จะเป็นทะพิษตัวอย่างแก่ตัวของเราอีกเราควรคิดเราควรควรพิจารณาไม่ควรจะให้เสียวันเสียคืนเสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆไม่ให้เสียอิริยาบถหายใจเข้าออกเปล่าๆควรจะคิดให้ดีการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยถึงจะยากลําบากก็ตามยากเพื่อจะ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 จะทนอยู่กับโลกนี้ไปไม่ได้นี้โลกก็มีความทุกข์เช่นเดียวเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติเกญนักบวชไม่ได้มีความกังวลอะไรกับสิ่งภายนอกที่โลกเฝ้าแสวงหากันอยู่ทุกวันทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาด้วยอัตด้วยธรรมเพราะอํานาจคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านครอบอยู่ทุกเวลา ไปที่ไหนก็มีคนเคารพเลื่อมใสไปที่ไหนก็มีผู้อยากให้อยู่ให้ชายให้สอยให้ฉันเต็มไปหมดแต่เครื่องสักการะบูชานอกจากว่าเราจะนอนจายไปกับสิ่งเหล่านี้เฉยๆนั้นก็จะกลายเป็นหมูนอนกินอยู่เท่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรควรจะสํานึกตัวของเราให้ดีออกจากครูจากอาจารย์ไปแล้ว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 อันนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยท่านขอให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาจะให้เสียประโยชน์ให้สมน้ํามากเป็นนักบวชและนักปฏิบัติไม่มีใครจะมาสามารถสร้างตัวให้ดีได้นอกจากเราคนเดียวเท่านี้จะสร้างตัวของเราการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของจําเป็นและไม่เป็นของที่ยากเหมือนการสร้างตัว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 นี่เรียกว่าคนลืมตัวไม่มองดูตัวของเราเห็นท่านดีแล้วก็อยากดีแต่ไม่ทราบว่าความดีนั้นมาจากไหนถ้ามองดูต้นไม้ก็ดูตั้งแต่ดอกกับผลไม่ดูลำต้นไม่ดูปุ๋ยดูเครื่องบำรุงที่จะทําต้นไม้นั้นให้มีความเจริญงอกเติบตามธรรมดาต้นไม้อาหารเป็นสิ่งสําคัญถ้าอาหารดีต้นไม้ก็ดีรากก็ดี กิ่งก้านก็ดีใบก็ดีดอกก็ดีผลก็ดีถ้าขาดปุ๋ยหรือขาดลําต้นอันสําคัญแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเจริญรุ่งเรืองไปไม่หนักนี่รากฐานของพระคืออะไรก็คือข้อปฏิบัติคือหลักธรรมวินัยความเพียรมองดูตัวของเราพยายามบํารุงด้วยปุ๋ยคือความเพียรเสมอ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 ไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้โปรดให้มองดูที่นี่นี่ล่ะพระอรรถจรรย์ก็คือพระองค์นี้พระที่เลวร้ายที่สุดก็คือพระองค์นี้พระก่อความกังวลแก่ตนและบ้านเรือนก็บ้านเมืองและโลกทั้งหลายก็คือพระองค์นี้ผู้จะให้ความล่มเย็นเป็นสุขแก่บ้านแก่เมืองให้เป็นคติตัวอย่างเป็นล่มโพล่มชัยให้อุบาสต่างๆแก่เขาเวลารับความร้อนเข้ามาทุกข์กาตรบก็คือพระองค์นี้ ตัวให้สร้างพระองค์นี้ให้สมบูรณ์ถ้าพระองค์นี้ได้บกพร่องหรือพระองค์นี้เลวทรามไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าพระขอให้ท่านทั้งหลายได้สนใจดูพระของตนว่ามีบกพร่องที่จุดไหนบ้างโตทําความเข้าใจและปรับปรุงแก้ไขให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไปที่ไหนก็จะเป็นพระที่ดีมีความเจริญตัวเองก็มีความก็หยิ่งอุ่นอกอุ่นใจว่าพระของตนได้รับการบำรุงด้วยดี ไม่ขัดปุ๋ยคือข้อปฏิบัติที่เนื่องมาจากความเพียรสื่อเนื่องกันอยู่เสมอคนอื่นก็อยากได้บุญด้วยไปที่ไหนเค้าก็กราบเค้าไหว้ไปที่ไหนก็เย็นพระฐานในใจของเราเย็นโลกก็เย็นด้วยไปที่ไหนเย็นไปหมดถ้าพระภายในใจของเราร้อนไปที่ไหนก็ร้อนดูที่ไหนก็ร้อนไม่มีที่อยู่ร้อนไปทั้งวันทั้งคืนหาที่พักที่อยู่อาศัยไม่ได้โลกกว้างแสนขวางก็มันร้อนอยู่ที่หัวใจของพระเลย อ่าที่ตรงที่วางไม่ได้นี่คือพระนรกขะอเวจีตัวแก้ไขกันให้ได้แล้วจะกลายเป็นภพที่วิเศษสักึกขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้การแสดงธรรมมาก็เห็นว่าสมควรหวังว่าทุกท่านคงจะนําไปพิจารณาหากว่ามีการขาดตกบกกล่องนิดเอ่อการใดๆก็ดีหวังว่านะครับใครจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายมีท่านครูว่าการ ผู้ที่ขอบรถเกลี้ยงสายเป็นต้นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้